ุทโสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการสัมสนาส น, นานะคะทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าว FM106 ค่ะเนืนอรายการโดย ส, สัมมนาพ้าพง์ซึ่งเป็นรายการที่เรามาพบกันตั้งแต่ตอนเช้าตรู่นก็ด้วยเหตุผลที่ว่าอยากจะให้ทุกท่านมีโอกาสเริ่มต้นวันใหม่ด้วยการได้ประโยชน์จากสิ่งที่พระพุทธองค์ได้ตรัสสอนเอาไว้ไปปฏิบัติเลย เพราะไม่จำเป็นจะต้องไปวัดนะคะเมื่อรู้ตัวปุ๊บปฏิบัติได้ทันทีโดยมีพระมหาภัยบุญอภิปุณโนจากวัดป่าดอนหายโศกอุดรธานีเป็นผู้ที่มาให้ธรรมะเราปกติแล้วท่านก็จะอยู่ที่อุดรเป็นหลักเพราะว่าที่นั่นก็จะมีกิจกรรมในแต่ละเดือนอย่างสม่าเสมอนะคะเป็นสถานที่สำหรับการปฏิบัติธรรมของทาง ทางราชการด้วยสังกัดใช่ไมคะเดีต้องไปปรับเปี่ยนถามท่านละละในวัฒนธรรมค่ะเจ้าบานเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะคะที่โอ้ เ, เรียกว่าเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดออในแต่ละจังหวัดก็จะมีหลายแห่งของวัดป่าดอนไนโศนี้จะเป็นแห่งที่ห้าแห่งที่ห้าของจังหวัดนี้เหรอฮะใช่ใช่ซึ่งหมายความว่าไงสำนักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดค่ะแต่ก็คือจะเป็นเขาเรียกว่ารายชื่อรายการของวัด ที่ทางมาธีรสสมคมได้รับรองว่ามีหลักสูตรมีการปฏิบัติที่เป็นรูปแบบอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วทางราชการหรือว่าบริหารงานกฤษเนี่ยสามารถจะใช้รายชื่อเหล่าเนี้ในการที่จะให้พนักงานของในหน่วยงานของตนเองเนี่ยลาไปปฏิบัติธรรมตามระเบียบของทางราชการได้อ๋อคือเหมือนกับว่าถ้าจะไปปฏิบัติเนี่ยจะต้องไปปฏิบัติถ้าจะลาอย่างเป็นทางการใช่ใช่ต้องมาที่สถานที่เป็นทางการอย่างนี้ใช่ใช่ อาจารย์ก็ขออนุญาตถามได้ไหมคะว่ารัฐบาลสนับสนุนเรื่องงบประมาณไหมคะคือเขาให้ลาโดยที่ไม่คิดวันลาแค่นี้เองแล้วก็จะมีวันลาบางหน่วยงานก็จะมีวันลาประเภทพิเศษเช่นลาบวชอย่างเงี้ยแต่ ผ, ผู้หญิงปกติจะไม่ได้ลาบวชลาบวชไม่ได้ใช่ไหมเพราะไม่มีการบวชแต่ก็ลามาปฏิบัติธรรมอ๋อค่ะอันนี้จะมีแบบนี้โดยที่ไม่ไม่เสียวันลาแบบประเภทอื่นๆนะค่ะก็คือเกิดประโยชน์กับผู้ที่ได้มาปฏิบัติ และเป็นประโยชน์ที่จะกระทบไปถึงสถานที่ทํางานเพราะว่าเมื่อบุคลากรของตัวเองมาฝึกปฏิบัติเนี่ยจะมีอะไรหลายอย่างนะคะที่ปรากฏขึ้นในบุคลากรของเราในทางที่สร้างสารรค์ใช่หน่วยงานทางราชการเขาก็สนับสนุนเรื่องนี้กันอยู่ค่ะแต่ว่าต้องรับผิดชอบในเรื่องของค่าใช้จ่ายถูกไหมคะเออใช่ใช่ใชเ่เรื่องเรื่องค่าใช้จ่ายนี้ก็คือว่าก่อนรัฐธรรมนูญจัดธ่รมบัณฑิก็จะเป็นอย่างนั้นเข้าใจค่ะตอนแรกดิฉันยังคิดว่าเมื่อเข้าโครงการแล้วเนี่ย อาจจะมีการสนับสนุนเป็นปัจจัยไม่มากก็น้อยคือจริงๆต้องพูดเพราะว่าน้อยๆก็ได้แต่ว่ามีงบประมาณสนับสนุนด้วยเพ<อ>ราะว่าอย่างเงินเดือนพระใช่ไหมคะเขาเรียกว่าอะไรนะคะ อ, อะไรพัดพัดนิ ต, ย พ, นนตยพัดหรือไม่นิตยพัดใชนิตยพัดเนี่ยอขออภัยนะคะขณะเนี้ประสงฆ์ได้เท่าไหร่คะท่านคะอาณาไม่ทราบเลยไม่ทราบข้อมแปล ว, ว่าท่านไม่เคยได้รับไม่ไม่เคยได้รับได้ในระดับเจ้าวาดนะคะเอืมน่าจะเป็น พราะครูหรือว่าจเจ้าอาวาสเนี่แหละใช่ใช่ตั้งแต่จเจ้าอาวาสเป็นต้นไปค่ะคือเมื่อก่อนเคยรู้แต่ตอนนี้ก็เลื่อนลางอเอาเข้ารายการเลยดีกว่าเดี๋ยวจ ะ, ะขัดทุนแต่จริงๆก็ได้เวลาเพิ่มมา10นาทีนะคะท่านผู้ฟังเพราะว่าคงจะมีผู้ฟังได้ให้ความสนใจมากทางสถานีก็ให้ความสําคัญมากขึ้นท่านพบูลก็เลยได้เวลาของรายการเพิ่มขึ้นในทุกๆวันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เนี่ยนะคะวันละอีกสิบนาทีจากยี่สิบห้าก็เลยเป็นสาสิบห้า วันนี้เป็นคําถามของคุณหมอเลยค่ะท่านคะเรียนบาคุณหมอคุณหมอเรียนเก่งเก่งเนี่ยก็ยังต้องมาถามปัญหาพระในเรื่องของการปฏิบัตินะค ะ, ะเป็ น, นทันตแพทย์หญิงค่ะชื่อทันตแพทย์หญิงพิมลเมธาณาวินท่านก็ต้องการทราบเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัตินะคะกราบเรียนถามพระอาจารย์ภัยบูรณ์เรื่องของจิตตะศิขาและปัญญาศิกขาเป็นอย่างไร ปฏิบัติอย่างไรคะโอเคคาถามแรกนี่ก่อนค่ะเอ่อเกี่ยวกับเรื่องของสิกขาสิกขาเนี่ยหมายถึงการศึกษาด้วยการปฏิบัตินะสิกขาเนี่ยถ้าแปลเป็นไทยก็คือศึกษานั่นเองเขียนเป็นแบบบาลีก็คือสิกขาเพราะฉะนั้นสิกขาบทนะก็คือศึกษานั่นเองบทที่คุณจะต้องทําการศึกษานะคือสิกขาเนี่ยแปลเขียนเป็นภาษาไทยคือสิกขาเราไปนะคือศึกษาเนี่ยภาษาไทยใช่ไหมเขียนเป็นภาษาบาลีเนี่ยคือสิกขา แต่เพราะฉะนั้นการการศึกษาในในทางคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันรวมการปฏิบัติอยู่ในนั้นเลยอืคือคุณใช่คือคุณต้องศึกษาด้วยการปฏิบัติค่ะแต่ซึ่งโรงเรียนในสมัยก่อนเขาก็เป็นอย่างนั้นนะโรงเรียนในสมัยหมายถึงว่าสมัยโบราณโบราณก่อนที่เราจะมีรูปแบบว่าเรียนสิบสองปีเรียนหกปีอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็คือคุณอยากเรียนวิชาอะไรอ่ะวิชาช่างทองคุณก็ไปอยู่กับนายช่างทองแล้วก็ฝึกด้วยการปฏิบัติอย่างนั้น ที <c oughs> นี้ในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าก็มีสิกขาบทต่างๆแล้ว <c oughs> ในสิกขาบทต่างๆนี่คือการศึกษาด้วยการปฏิบัตินะก็จะมีศีละสิกข า, <c oughs> น, า น, นี้คือข้อที่1จิตตะสิกข า, น, า น, นี่คือข้อที่2แล้วก็ปัญญาสิกขา <c oughs> นี้คือส3ส่วนถ้าเราจะแบ่งกันง่ายๆง่ายๆ <c oughs> สีนิจิตปัญญา <c oughs> ใช่ศีลจิตและปัญญาอันนี้คือพระพุทธเจ้าก็จะตรัสไว้บางที่จะเป็นงนี้แล้วทีนี้ในในเรื่องของศีน์เรก็จะแบ่ง ถ้าเราจะแยกในเรื่องของศีลก็จะเป็นสัมมากรรมตตาสัมมาวาจาแล้วก็สัมม า, าชีวะ <Okay. S 1> น, น, นี่คือเรื่องของศีลในเรื่องของจิตเรื่องของจิตก็คือสัมมาว า, ามะสัมมาสติแล้วก็สัมมาสมาธินี่มันเกี่ยวกับเรื่องการทำงานของจิตส่วนเรื่องของปัญญาแล้วก็อีกสองอันที่เหลือก็คือสัมมาทิฏฐิแล้วก็สัมมาสังกัปปะ okay. เนีเพราะฉะนั้นเรื่องของจิตทำไมพระพุทธเจ้าไม่ได้พูดถึงคําว่าสมาธิน่ยก็เพราะว่ามันมีสัมมาวิมาร์ด้วยมีสัมมาสติอยู่ในนั้นด้วยส่วนเรื่องปัญญาก็อย่างที่ว่าคือเรื่องของการดํำริชอบแล้วก็การมีทิฏฐิความเห็นชอบในคําถามของคุณพิมนธรรมแพทยหญิงพิมนที่พูดถึงว่าแล้วจะปฏิบัติอย่างไรนี่ก็คือจะลงเหมือนกับที่อริยมารมีองค์แปดอยู่ในชีวิตประจําวันของเราได้ ก็สรุปได้ว่าคือว่าศิกขาการศึกษาที่ต้องมีการปฏิบัติด้วยของพระพุทธองค์เนี้ยเป็นการศึกษาอาริยมรรคมีองค์8ดนั่นเองถูกต้องโดยแบ่งออกเป็นสาสามประเภทศีลจิตปัญญาใช่แล้วก็สัมมารถต่างๆก็ไปเข้าประเภทอยู่ในนั้ น, น อ, อ, อย่างเช่นเราจะเห็นไในเช่นเช่นว่ามีคนด่ามีคนด่าใช่ไหมค่ะถ้าเราอดทนอันนี้คือคุณฝึกจิตตศิขาทันทีเลยตรงไหน ม, มันตรงสัมมาวายมะ ทำยังไงอะ่ะเพราะว่าถ้าคนด่าปุ๊บเราจะจีใช่ไหมแต่เราอดทนเดี๋ยวไม่ให้อกุศลธรรมเกิดขึ้นอันอไว้นะีอกุศลธรรมอย่าเกิดนะตรงนี้คือจิตตาสิกา อ, อันนี้คือคะจะมาม า, ามาเลยนะทันทีเลยนะเดี๋ยวนั้นเลยนะค่ะเดี๋ยวยังไม่ต้องถึงที่ทำงานก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวถูกดา่าเอาแค่ขับรถปาดหน้าถูกเขาขับรถปาดหน้าค่ะ แ, ะแล้วถ้าแปะว่าเราจะด่ากลับอย่างเงี้ยเฮ้ดา่ามันเป็นมิจฉาวาจานะเอาไม่ดา่า ไม่ได่าตรงนั้นคือคุณมีศีลสิกสีขาทันทีค่ะแล้วก็คุณก็แผ่เมตตาให้เขาด้วยเอ้ยอันนี้ความคิดดีเนี่ยมีสัมมาสังกปะมีปัญญาสิีขาทันทีอ่ามันเป็นอย่างนั้นเลยอ๋องั้นสมมุติว่ามีคนกล่าวหาเราผิดๆเราก็มีความรู้สึกว่าไม่อยากแปอะไรด้วยบางคนบอกว่าให้ฟ้องหมิ่นประมาทเลยอืมอืมอืไม่ฟ้องให้อภยัยมันไปเล ย, ยให้อาไป ให้อภัยและแผ่เมตตาให้ด้วยอย่างนี้ก็เข้าหลนะักที่ท่านพูดนี่เลยไหมคะถูกต้องเลยมันมันคือการศึกษาด้วยการปฏิบัติเลยค่ะมันคือไม่ใช่แค่จําได้ในสมองเพราะว่าสิกขาเนี่ยมันเลยจุดที่คุณจําได้ในสมองแล้มันต้องไปกว่านั้นค่ะดิฉันอ่านที่สมเด็จพระสังฆราชท่านเขียนนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการให้อภัยเนี่ยท่านก็บอกว่าอถ้าสมมติมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาแล้ววันหนึ่งเราจะลืมเรื่องนั้นอ่า ไปเองถือว่าไม่ได้เกิดประโยชน์เพราะว่าไอเรื่องของเกิดนบรรดาบเป็นธรรมดาอยู่แล้วแต่ถ้าหากว่าเรารู้สึกว่าอยากให้อภัยแล้วก็ท ำ, ทำแคลนสินค้าเลยปฏิบัติเลยก็อันนี้จะเกิดประโยชน์อย่างมากเพราะว่าเป็นการฝึกฝึกตนถูกต้องถูกต้องทีนี้อ่าถ้าแค่เราแค่จำได้เฉยอันนี้คือส่วนที่เราเป็นปริยัต แต่ปริยัติก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะก็คือดีเพราะว่าเรายัางจํำข้อสิกขาบทต่างๆเหล่านี้ได้อาจจาได้ดีนะจําได้ดีแล้วกออ็อย่าให้เป็นงูพิษนะคือถ้าเอามาทิมแทงคนอื่นหรือว่าเข้าใจไม่ถูกต้องอันนี้มันจะเป็นงูพิษได้แล้วก็ทําปริยัติ ต, ตรงเนี้ยให้เป็นสิกขาบทที่อยู่ในชีวิตของเราเดี๋ยวเราก็ไม่ใช่เฉพาะเวลาที่มาวัดอย่างที่คุณยมติวพูดอะ่ะตอนแรกเริ่มต้นรายการว่าไม่จําเป็นต้องไปวัดถูกต้องเลยอย่าแค่มารอไปวัดแล้วจะค่อยทํามันมันช้าไปหน่อย เอาเอาตอนที่บ้านนี่แหละเอาตอนเดี๋ยวนี้แหละเสียบกาดด้วยนะคะเข้าใจผิดแล้วก็คิดว่ า, าต้องรอไปวัดรอไปวัดไม่ว่างสักทีทั้งชีวิตก็ไม่ต้องทําอะไรเลยมันมันทําได้ตอนที่มีภัสสะทันทีค่ะมีภัสสะเมื่อไหร่พราว่าคุณเอาสิกขาบทเหล่านี้งัดออกมาใช้ค่ะถ้านทันทีตอนไหนบ้างคะที่มีภัสสะคะท่านคะโอ้ตอนนอนก็มีนะตอนตื่นนี่แน่นอนใช่ไหมคุยโทรศัพท์ เห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่อยู่คนเดียวก็ตามอาจจะคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้พวกนี้เป็นผ่ัสส์ทั้งสิ้นเลยมีไหมคะตอนดิฉันถามอย่างนี้ดีกว่ามีตอนไหนไหมคะของมนุษย์ที่ไม่มีผัสสะถ้ายังอยู่ในโลกนะมันมันไ ม, ไม่มีเยจะทุกขณะจะเป็นผัสสะหมดอ า, อาจารยาวนานต่อเนื่องเป็นเรื่องเดียวไปอย่างเช่น <c oughs> บางทีเรานอนอย่างเงี้ยเรานอนเนี่ยเราหลับไปใช่ป่ะเราไม่ได้รู้สึกตัวไม่ต้องฝันด้วยไม่ฝนันไม่รู้สึกตัวใดๆ จิตนิ่งอยู่อย่างเนี้ยก็นี่ก็ชื่อว่ามีผัสสะแต่ว่าเป็นผัสสะอันเดียวตลอดไปอย่างนี้อก็อย่างนี้นะคะท่านฟังบางคนอาจจะยังไม่เข้าใจคิดว่าผัสสะจะต้องมีผัวผพระเพี้ยพระถึงจะเรียกว่าเป็นผัสสะอย่างนั้นไม่ได้แค่นั้นนั่นก็ใช่อแต่ว่าผัสสะเนี่ยหมายถึงทั้งหมดเลยตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราใช่ไหมคะใช่ใช่เกิด<ะ>จากสิ่งเหล่านี้เนี่ยเขาเรียกว่ามันเกิดผัสส ะ, สะขึ้นแล้ว ทีนี้ลักษณะของการเกิดภาษาะเนี่ยมันจะต้องมีกลไกของมันนิดหนึ่งเพื่ อ, อให้ทําความเข้าใจให้มากขึ้นนะนะคุณหยงผิวในอันแ บ, บแรกสมมติว่าถ้าพูดถึงตาหูจมกูกลิ้นกายใจนี่เป็นพวกนี้เป็นช่องทางนีช่องทางศัพท์ที่พระพุทธเจ้าใช้ก็คืออยัยตนะภายใ น, นเป็นช่องทางที่ให้สิ่งที่อยู่ภายนอกเนี่ยเข้ามาได้ซึ่งเป็นตาก็จะเป็นช่องทางให้รูปเข้ามาได้ หูก็จะเป็นช่องทางให้เสียงเข้ามาได้นะจมูกก็จะเป็นช่องทางให้กลิ่นเข้ามาไดนะ้มันก็จะมีทั้งหมด6ช่องทางนะตรงนี้ต้องดูคมๆนิดนึงนะว่าใจคือมโนเนี่ยนะก็จะเป็นช่องทางให้ธรรมารมเข้ามาได้นะธรรมารมก็คือของภายนอกนะทีนี้ในในสิ่งที่เป็นมีธรรมชาติละเอียดเป็นจิตเนี่ยเป็นจิตเนี่ยเหมือนความละเอียดก็พอๆกันธรรมารมก็ละเอียดพอๆกับ แล้ก็ระเอียดเพอๆกับใจทีนี้มาเลยบางทีอาจจะแบ่งแยกไม่ค่อยได้ถ้าเผื่อว่าคนที่อาจจะยังไม่ได้ฝึกจิตมาอาจจะมองเห็นเป็นเหมือนกันแต่ว่าพระพุทธเจ้าแบ่งกันเอาไว้อยู่ท <Okay. S 1> ีนี้เอาดูตรงที่ง่ายๆก่อนเช่นว่าเสียงมีเสียงมาผ่านทางหูแล้วใจของเราเนี่ยหมายถึงว่าจิตของเรานะจิตของเราไปทําหน้าที่รับรู้นะการรับรู้ไปทําหน้าที่ตรงนั้นคือวิญญาณเราจะมาจะค่อยๆ อธิบายคําศัพท์ไปนะคุณโยมติวนาะคันการทํางานของมันเป็นอย่างนี้มีเสียงคือสิ่งที่มาจากภายนอกใช่ไหมเรามีช่องทางคือหูใช่ไหมท่านผู้ฟังฟังอยู่คุณโยมติวฟังอยู่เนี่ยมี2 อ, อย่างนี้ประกอบกันแล้วแล้วถ้ามีจิตของเราเข้าไปรับรู้การทําหน้าที่รับรู้นี่คือการรับรู้ทางเสียงศัพท์ที่พระพุทธเจ้าใช้ก็ใช้ว่าโสตะวิญญาณค่ะสอย่างนี้รวมกันก็เรียกว่าผัสสะค่ะอันนี้ก็จะเป็นผัสสะทางหู ตอนนอนเราอาจจะไม่ได้ยินเสียงอะไรอภาษาทางหูไม่มีก็ไม่มีปัญหาแล้วก็ผ่านไปก็จะเป็นภาษาอย่างอื่นไปอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นถ้าเกิดว่าคนที่อตาไม่ดีหูไม่ดีตาบอดหูเสียนะคะหูหนวกถ้าเกิดมีเสียงเข้าไปสัมผัสแต่จิตวิญญาณรับรู้ไม่ได้ถูกไหมคะก็ไม่ไมีภาษา<ๆ>จะไม่มีถูกต้องะคะะน เพื่อให้เข้าใจง่ายๆราะเผัสสะเช่นจะได้ยินกันอยู่บ่อยๆมากเลยคนก็งงนะคะนึกว่าเราต้องเป็นการจับผัสสะมันถึงจะใช่แต่จริงๆแล้วเนี่ยทุกอายตนะทุกช่องทางของการรับรู้ได้นะครับไปบสามหมดจับกับอายตนะภายนอกอะไรใช่แล้วกต็ต้องมีตัวรู้ด้วยถูกต้องต้องมี3ามอย่างนี้อ่ ะ, <ซ>ะอะอย่างสมมุติว่าถ้าเรานั่งสมาธิแล้วนิ่งไปเลยนะแบบไม่คิดอะไรเลยหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเหมือนแค่หนาทีอย่างเงี้ย ในความนิ่งตรงนั้นก็เป็นภาษาอย่างหนึ่งนะมันเป็นอะไรมันเป็นธรรมอารมณ์อย่างหนึง่งแต่มันเป็นธรรมารมณ์อย่างหนึ่งที่จิตของเรานะไปทาหน้าที่รับรู้ผ่านทางมโนคือใจแล้วมันก็เชื่อมกันแช่กันอยู่อย่างนั้นไปตลอดแต่ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไม่ได้มีสังเกตก็ไปปรุงแต่งไม่ได้มีอะไรมันก็อยู่อย่างนั้นไปเรื่อยๆนะจากหนึ่งชั่วโมงเหมือนแค่ห้านาทนะีอันนี้ก็ ค, คือมีภาษาอยู่เหมือนกันมีภาษาทางใจค่ะดัะงนั้น ก็เข้าใจว่าเรื่องคำถามของทันตแพทย์หญิงพิมลในคำถามแรกเกี่ยวกับจิตตาสิกขาปัญญาสิกขาเป็นอย่างไรปฏิบัติอย่างไรนี่ก็น่าจะเข้าใจได้ในระดับดีทีเดียวนะคะเด็กบาลขออนุญาตไปในส่วนคำถามอื่นเลยนะคะเรื่องของอัตตาค่ะอัตตาท่านถามมาว่าการละอัตตาตัวตนและของตนทาอย่างไรคะอันนี้ต้องใช้ปัญญาสิกขา นะตรงนี้แหละคือสิ่งที่เราเอาสิกขาบทตรงนี้มาใช้งานได้มาปฏิบัติได้ <Okay. S 1> มันก็แค่ทําความเข้าใจให้ถูกต้องนี่คือเป็นเรื่องของสมารถที่ติแต่ทาความเข้าใจให้ถูกต้องในว่าอะไรในะว่าคําว่าอัตตาเนี่ยหมายถึงว่าเป็นตัวของมันเองนะเกิดขึ้นเองไม่มีเหตุปัจจัยใดๆไอ้ตรงเนี้ยถ้าเราไปเข้าใจอย่างเงี้ยคือเราเข้าใจว่ามันเป็นอัตตาแต่ความเข้าใจนี้ยังไม่ถูกแต่ถ้าเราปเปลี่ยนความเข้าใจให้ถูก ใช้ปัญญาสิกานะเห็นนีมมันถูกว่าว่าอะไรว่า<น>สิ่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมีเหตุปัจจัยแล้วจึงเกิดขึ้นได้แต่มีเหตุปัจจัยแล้วเกิดขึ้นได้เช่นว่ า, าวิทยุมันดังขึ้นมาได้เนี่ยมันต้องอาศัยทานอ๋อทานเป็นเหตุปจัจจัยเอาไม่ใช่ทานอย่างเดียวมันต้องอาศัยขื้นวิท ย, ยุด้วยมันก็ต้องอาศัยคนพูดอยู่ฝั่งนี้ด้วยเป็นเหตุกันมาหลายๆเหตุมันจ ะ, จะไม่ใช่เหตุเดียว3าสอย่างรวมกันแบบนี้จึงเกิดเป็นแบบนี้ขึ้นมาการที่มันมีเหตุมีผลแล้ว เกิดขึ้นไม่ได้เป็นตัวมันเองไม่ได้เป็นอัตตาตัวของมันเองเ อ, งเองกเทศตรงนี้คือเรียกว่าเป็นอนัตตานะจะทําอัตตาให้ดับไปได้ก็ต้องทําอนัตตาให้มันเกิดขึ้นนะทีนี้อันนี้คือของภายนอกที่เราต้องเห็นให้มันถูกตัวเราก็เหมือนกันตัวเราก็เหมือนกันตัวเราเป็นอาศรรรยัยอะไรเกิดก็มา ร, รดาบิดาอาศรรรยัาศรรรยท่านเกิดมาแนะเราโตมาได้ไงก็อาศัยข้าวสุกแล้วขนมสดแนะมีความรู้สึกบ้างสุกบ้างทุกบ้างกับธรรมดา ตามกระแสของกรรมแต่อาศัยเหตุปยยัจจัยนี้เกิดขึ้นจะไปคิดว่ามันเป็นอัตราตัวตนว่าฉันจะต้องเป็นอย่างนี้ฉันจะไม่เป็นอย่างนั้นมันไม่ได้เพราะมันก็ต้องเป็นไปตามเหตุปัจจัยซึ่งเหตุปัจจัยนี้บางทีเราควบคุมได้บ้างแตนะ่บางทีเราควบคุมไม่ได้ตรงนี้แหละจึงเป็นสิ่งที่ทําให้คน เ, นเข้าไปยึดถือคิดว่าฉันจะทุกขควบคุมได้หมดซึ่งซึ่งบางอย่างมันได้ไงพอมันบางอย่างพอเราควบคุมได้ เช่นมาถ้าคุณต้องการร่างกายให้มันใหญ่โตขึ้นใช่ไหมคุณก็ไปออกกาลังกายคุณต้องการให้ผอมลงคุณก็ไปกินอาหารที่มันดีต่อสุขภาพหน่อยนะีก็มันก็พอควบคุมได้นะระดับหนึ่งทีนี้พอตอนควบคุมได้ปุ๊บแม้เราเริ่มมีความสุขสุขเบทนาถ้าเรา ม, มีความสุขเบทนาปุ๊บเมื่อไหร่แล้วเรากําหนัดยินดีเพลิดเพลินรุ่มรุงตรงนั้นจิตเราสมองและจิตเรายึดตึ๊บทันทีว่ามันเป็นอัตราของเราโอ้ฉันทําได้นี่ตรงนี้คือคือมันมันมึนๆ น, น, น, นิดหนึ่ง มึนๆ น, นี่แปลว่าคุณถูกครอบงำละ <c oughs> นะคุณถูกความเห็นผิดครอบงำคุณถูกอวิชาครอบงทำทาให้เห็นว่าเป็นอัตตานะตรงเนี้การครอบงำตรงเนี้คือมีอะไรยังมีความอะไรเป็นที่ยินดีแตนะ่ถ้าสัตว์โลกถูกครอบงำด้วยความอะไรถูกครอบงำด้วยความกําหนัดตรงนี้แล้วก็จิตเจ้าหมองละก็ไม่บริสุทธิ์ละเอาเราจ ะ, จะเจริญทำยังไงทํางไงถึงจะเอาปัญญาสิกขาออกมาได้ก็ต้องเห็นให้ถูกว่า ไอ้สุขที่เกิดขึ้นนี่นะมันไม่เที่ยงนะมันมีความทุกข์อยู่เพราะว่ามันมีความไม่เที่ยงแต่มันก็มีเหตุปัจจัยของมันถ้าเหตุปัจจัยของมันเปลี่ยนแปลงไปบันทีเราออกกําลังดีกินอาหารดีเอาแต่มีเหตุปัจจัยอื่นเช่นเชื้โรคเหตุปัจจัยอื่นเช่นความแก่แต่ต่อจะให้คุณขยันยังไงกินให้ดียังไงออกกําลังกายเยอะขนาดไหนมันก็ไม่ดีขึ้นมาละมันก็จะต้องเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพของมันความเข้าใจที่ถูกต้องตรงนี้คือความเข้าใจที่เรียกว่าเป็นอนัตตา พอ ม, มีความเข้าใจนี้เกิดขึ้นแล้วอัตราตัวตนของเราเนี่ยจะละไปได้ทีนี้มันก็ละไปได้เป็นเรื่องๆนะคุณหยมติวเป็นเรื่องๆอย่างเช่นว่าสมัยเด็กๆเราอาจจะมีของเล่นตุกกตต๊กตนตุ๊กตาผู้หญิงเขาเล่นอะไรกันมอก้ามากแกงป ะ, ะหรือว่ า, า, ามีหลายๆอย่างค่ตะตุ๊กตา <laughs> ก็เล่น <laughs> นั่นแหละ เล่นรของเออเล่นของสมัยนี้เด็กๆนี่โหถ้าแม่เรียกกินข้าวนี่ไม่ไม่ไม่ไปล่ะหรือว่าคนอื่นมาแย่งของฉันไปนี่ไม่ได้เดี๋ยวนี้เล่นอินเทอร์เน็ตอย่างเดียวค่ะเด็กคือถือเล่นโน่นเล่นนี่ใช่ทีนีออ้พอเราโตขึ้นมาหน่อย อ, อ้าวถ้มันของเด็กเล่นฉันไม่ยึด ถ, ถือแล้วเห็นมันโดยความเป็นอันนาตาได้แต่เพราะว่าอะไรก็มันเป็นของเด็กเล่นมันไม่ใช่ของที่ผู้ใหญ่จะไปยึด ถ, ถืออะไรอันนี้คือเราเห็นถูกแล้วในของเด็กเล่นใช่ไหมทีนี้เราเรามันไปยึดสิ่งอื่นแทนแต่เพราะฉะนั้นก็ต้องดูเป็นเรื่องๆไป ถ้าเราสามารถเข้าใจให้ถูกต้องได้ทุกเรื่องเนี่ไม่ใช่เฉพาะเรื่องแค่ของเด็กเล่นแต่ยงรวมถึงเรื่องของผู้ใหญ่เล่นด้วยยังรวมถึงเรื่องของการงานด้วยยังรวมถึงเรื่องของคนในครอบครัวด้วยโอ้จะเห็นได้หมดอย่างนี้นะคือเรามีสิกขาอยู่ตลอดเลยมีปัญญาสิกขาตรงนี้ก็มีปัญญาสิกขาตรงนี้ก็มีปัญญาสิกขาได้หมดค่ะค่ะอันนี้ที่ท่านได้พูดไปเนี่ยที่ทนเข้าใจว่าท่านพูดรวมทั้งสองอย่างเลยในส่วนของอัตรา ลักษณะที่อัตราที่เราจะจะคิดได้เองตามระบบความคิดทั่วๆไป<ช>นะ ค, <ช>คะอ่าเราไปเข้าใจผิดคิดว่าเราควบคุมตรงนี้ได้สมมติความแก่ที่ท่านพูดนะคะอเอออถ้ามันเป็นเรามันก็ต้องคุมได้เนี่ยมาคิดตามที่พระอาจารย์พูดจริงๆเออมันคุมไม่ได้นะเมื่อก่อนยังคิดว่าหมอช่วยได้ใช่ไหมคะแต่ตอนหลังก็ได้รู้ว่ามันก็ช่วยได้แป๊บเดียวอ๋อเดี๋ยวก็อีกละย้อนยานอีกละอ่า อันเนี้ยก็เป็นความคิดแบบทั่วๆไปแบบธรรมดาหรือบางคนบอกว่าลูกของฉันนะคะหมายมั่นปั้นมือเลยลูกต้องเป็นอย่างนั้นลูกต้องเป็นอย่างนี้อืวันหนึ่งก็เริ่มเข้าใจไปเองว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นลูกของเราก็จริงๆ แ, แต่หมาว่าบางอย่างเราก็ควบคุมไม่ได้ใช่ไหมคะ่ใ่ใก็เริ่มปรองได้ยอมรับอันเนี้ยมันเป็นเรื่องทั่วๆไป อแต่อีกส่วนหนึ่งอะคะ่ะในเรื่องของทางจิตเนี่ยนะคะเห็นเข้าใจว่าปัญหาของพวกเราที่เพิ่มเข้าใจแล้วเข้าใจยากกว่าก็คือที่จะเข้าใจอัตตากับอนัตตาแบบที่จะพาไปวิมุตติอย่างที่พระพุทธองค์ได้สอนอันนี้ค่ะเออถ้าถ้าเป็นเรื่องของจิตเนี่ยเราก็แค่ทําความเข้าใจว่าจิตนี่มันเหมือนกับเป็นตัวเราของเราถูกไหมค่ะนี่คือเราเราผ่านเลยเรื่องภายนอกไปหมดแล้วนะ เรากําลังมาเข้าสู่ว่เอ๊ะทำไมฉันรู้สึกว่าเอาจิตที่เข้าไปรับรู้สิ่งต่างๆเนี่ยมันอย่างสมมุติจิตเข้าไปรับรู้ความรู้สึกเราเช่นเรารู้สึกง่วงเพราะะฉนนั้เราก็จะบอกว่าฉันรู้สึกง่วงแต่ความง่วงกับจิตเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเดียวกันนะความง่วงเนี่ยไม่ใช่ตัวเราด้วยซ้ําความง่วงนี้ก็เป็นอาการหนึ่งของร่างกายที่มันอ่าเป็นก็เรียกว่าไบโอเคมิคอลมันหลังสารเอะไรออกมากคุณก็รู้สึกง่วงก็ก็ธรรมดาแต่ถ้าเรารู้สึกว่าอันนี้มันเป็นตัวเรา หรือโดยจะมีความโกโรธอย่างเงี้ยพอมีความโกโรธขึ้นปื๊ดฉันโกโรธแล้วนะอย่างเงี้ยเดี๋ยวไอ้ความโกโรธนั้นเป็นตัวฉันทันทีเดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่ใช่ทาไมเราจะต้องเข้าเราจะต้องเข้าใจว่าไออารมณ์ความโกรธมันเกิดขึ้นได้ก็มันก็เป็นตามภาษามากระทบอะ่ะมันไม่ใช่ตัวเราเราจะเข้าใจตรงนี้ได้เนี่ยนะคุณโยมติเราจะต้องมีสติมากๆเนืสติตั้งไว้ก่อนนะว่าเพราะ ว, ว่าความโกโรธเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นโทสะอะไรเข้าไปรับรู้โทสะตรงนั้น คำตอบก็คือจิตจิตที่เข้าไปรับรู้โทรสะตรงนั้นถ้าเผื่อว่าไม่มีสติตั้งมันเอาไว้นะมันจะบวบรวมกันเป็นตัวเดียวกันจิตคือความโกรธทันทีมันไวมากนะมันมาเนียนๆเหมือนเป๊ะในเวลา Co อปีตัวเราออกมาฉันโกรธบ้างฉันหลงบ้างฉันรักบ้างเป็นแบบนี้แล้วเปลี่ยนแปลงรวดเร็วมากนั่นก็เป็นเพราะว่าไอ้ผัสสอินรียอะไรต่างๆมันแล่นไปสู่จิตหมดแต่ถ้าบอว่าจิตไม่มีสติเป็นที่แล่นไปสู่นี่แหละมันถึงจะ เชื่อมติดกันเชื่อมติดกันด้วยอำนาจของตัญหาแล้วก็อวิชานีมันบังมันเนียนเนียนเราให้เราคิดว่าอันนี้เป็นตัวเราอารมณ์นี้เป็นฉันความรู้สึกนี้ของฉันลรหมายใช้นี่ฉันมันเป็นนี้เนี่ยเพราะว่าจิตเนี่ยเป็นตัวเดียวที่ว่าพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าจิตเนี่ยเป็นสิ่งที่ล่อลวงปลอมเทียมปลิ้นปลอกนีจึงเข้าไปยึดถือว่าความรู้สึกนี้เป็นของเราจึงเข้าไปยึดถือว่าไอ้สิ่งนี้เป็นของเรา อันี้เพราะว่าเราถูกจิตหลอกอยู่หนะลอกให้ไปยึดถือสิ่งนั้นสิ่งนี้หนะลอกนี่ก็คือหมายควาว่าปิดบังเอาไว้ด้วยอวิชานะอวิชาที่ทำให้เราไม่เห็นทำให้เราไม่สามารถเจริญปัญญาสิกขาได้แล้วก็ที่มันเข้าไปยึดถือนี่ก็ด้วยอํานาจของตันหามันก็ไปเชื่อมติดเชื่อมติดและกาวนี่มันเนียนมากทีนี้ว่าถ้าเราจะไม่ให้เจ้าตันหาวิชาที่มันมีความเคยชินในจิตของเรามานานแล้วทํางานเนี่ยเราต้องตั้งสติ ข, ขึ้นนะตั้งสติ ข, ขึ้นโดยใช้ ลมหายใจก็ได้โดยใช้การระลึกถึงบาปุจฉาเป็นพุตานุสติใช้ลมหายใจกับเป็นน า, านาปนัสตินึกถึงความดีความงามของเรากับเป็นสีร่างนุสติเป็นต้นเนี่ยปุ๊บตั้งสติปากเอาไว้เลยนะเป็นเสาใช่ไหมให้จิตไว้ตรงนี้ให้จิตผูกติดไว้กับสตินั้นพอจิตผูกติดไว้กับสติปุ๊บอะไรที่มันจะพยายามที่จะดึงจิตเข้าไปเชื่อมปุ๊บเนี่ยมันจะเริ่มคลายออกมันจะเริ่มคลายออกแต่ไม่อาจจะไม่ได้คลายออกปังทีเดียวมันก็จะค่อยๆคลายออก นีตรงเนี้ยพระพุทธเจ้าจึงใช้คำว่าสติปัฏฐานนีสติปัฏฐานก็คือหมายความว่าฐานที่ตั้งของสติอันนี้คืออาจารา์กำลังพูดถึงเรื่องของจิตตสิกานะจิตตสิก<ะ>าฐ า, านที่ตั้งของสติเนี่ยบางทีตอนแรกเราตั้งลงหมหายใจขึ้นนีบางทีสติยังไม่เกิดเกิดอยู่แต่ว่ามันยังไม่แยกแต่ถ้ามันจะแยกมันจะมีสติตั้งขึ้นมั่นคงได้มันจะเกิดที่ตรงนี้นั่นคือลหมหายใจเป็นต้นนีตรงนี้จึงเป็นสติปัฏฐานได้ ที่กายของเราเป็นต้นเพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นในคำนามที่สองของคุณพิมลเดชที่ถามว่าเราจะละอตัตตาตัวตรงกอเราทําอย่างไรเราทําอย่างไรสเปซิฟิกเลยเราจะเริญจิตาสิกาเริ่มจากจุดของสติตั้งสติขึ้นตรงนี้เราจะค่อยๆแยกได้เห็นอนัตตาได้ในตัวของเรานะคะซึ่งอันนี้เป็นเรื่องของการที่จะต้องรู้แล้วก็ต้องปฏิบัติถูกไหมคะสิกาบทนันเองใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย มันเป็นสิ่งที่อยู่กับเราเนี่ยมาตั้งนานแล้วของพวกนี้ใช่พระพุทธองค์เนี่ยได้ทรงมีความเป็นพระขวานหรือเปล่มาจับแนกใช่ไหมเป็นผู้จำแนกแจกธรรมเป็นผู้จำแนกแจกธรรมได้ละเอียดคือมองในสิ่งที่ธรรมดาธรรมดาที่อยู่กับเราแต่เราไม่เคยเห็นท่านเห็นได้อย่างละเอียดใช่ะหรับแนกแจกธรรมได้อย่างละเอียด เรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่ทำได้ถ้ารู้แล้วก็ฝึกปฏิบัตินะคะด้วยการาทำจิตตสิกขาตรงนี้ก็จะมาจอดลงกับจากคำถามที่สามของตแะทย์หญิงพี่มนปดีดเลยขออนุญาตถามนะคะได้จิตผู้รู้คืออะไรคะนี่แหละตรงนี้แหละที่ว่าถ้าสมมติเราทำไปใช่ไหมมีสติไปตั้งมั่นไว้แล้วเนี่ยอาตมาอนุมานเอานะว่าคำว่ารู้ของเขาในที่นี้เนี่ยจะหมายถึงว่ารู้สักแต่ว่ารู้ รู้แต่ว่ า, าคือจิตผู้รู้แต่ทีนี้จิตผู้รู้มันจะคือคำคำไทยเนี่ยพอแปลมาแล้วเนี่ยต้องแยกแยะนิด น, นึงว่าคําว่ารู้ของเขาในหมายถึงอะไรเอาอธิบายตรงนี้ก่อ น, นที่ว่าพอจิตของเราตั้งสติขึ้นไว้ได้อย่างมั่นคงนะสามารถแยกแยะว่าเฮ้ย น, นี้มันไม่ใช่ตัวเราอันนี้ไม่ใช่ของเราอันนี้ไม่ใช่ตัวตนของเรามีความเป็นอนัตตาแล้วเราไม่ควรเข้าไปยึดถือมันแยกแยะเอาอันนี้มันเป็นเรื่องคดโกงเป็นเรื่องปลอมเทียมแล้วเนี่ยแล้วเราเห็นตามจริงได้แล้วเนี่ย เราจะวางได้แนววางได้แล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือรู้ก็สักแต่ว่ารู้รู้แล้วไม่เข้าไปเกลืกลั่อในอารมณ์ในความรู้สึกอันนี้คือจิตของผู้ที่หลุดพ้นนะนะค่ะแนวเช่นว่าเรารับรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ไม่หวันหวาไม่สันสะเทือนนวคนที่ก็รับรู้ข่าวว่าเออพระพุทธเจ้าจะปรินิพพานโอ้โหถ้าเป็นพวกที่เป็นพระอรหันต์แล้วก็มีสติสัมปชัญญะอดกั้นมีธนาได้แต่พวกที่ยังเป็นเสษขาอยู่ก็ร้องไห้ฟูมไฟ นะที่ยังปฏิบัติไม่สุดนะนะก็ร้องไห้ภูมิายเอาถามว่าทําไมเขาถึงไม่ร้องไห้คนที่เขามีสติอยู่เป็นพระอรหันต์เพราะว่าเขารับรู้ก็สักแต่ว่ารู้นะสิ่งนั้นอารมณ์นั้นความรู้สึกนั้นไม่ได้เข้ามาตั้งอยู่ในจิตไม่ได้มาเกลือกล้วในจิตไม่ได้มากลุ่มรุมจิตนะพอไม่ได้เข้ามาตั้งอยู่เกลือกกล้วกลุ่มรุมมันก็ไม่ครอบงาำพอไม่ครอบงำแล้วรับรู้ไหมรับรู้อยู่แต่ไม่เกลือกลั้วกันอธิบายยังไงก็เหมือนกับน้าโดนใบบัว โดนกันไหมเนี่ยโดนกันอยู่ติดกันอยู่แต่ว่าไม่เกลือกกลัวกันนะไม่ซึมลงไปอ่อไม่ไม่เปื้อนกันมันก็กวิ่งไหลเลือดไปในขณะที่ถ้าคนธรรมดานะถ้าเปรียบเทียบน้ำํำนะเป็นผัสสะหรือเป็นอารมณ์ความรู้สึกใดใดถ้าคนธรรมดาเนี่ยมันก็เหมือนหยดลงบนหญ้าคาเนี่ยหยดลงบนหญ้าคาปุ๊บเนี่ยมันก็ซึมลงดินรากก็ยิ่งงอกเนะ่ยหญ้าคานี่ก็ยิ่งแผ่กว้างไปอาการที่รากงอกลึกลงขึ้นไปเนี่ยก็คืออภิชายิ่งเพิ่มเติม ต้นที่มันแผ่กว้างไปต้นยาคาเนี่ยก็คือตันหาแผ่กว้างไปอีก <Okay. S 1> แต่ถ้าคนที่มีจิตผูร้รู้นั่นก็คือรู้สักแต่รู้แล้วก็เหมือนกับน้ําบนใบบัวกลิ้งไหลลื่ไปในทีนี้ต้องแคร์ไฟน์นิดหนึ่งคำว่ารู้เนี่ยถ้ากลับมาประเด็นที่ว่ารู้ที่มันรู้อะไรกันแน่เดี๋ย <Okay. S 1> นี้คือรู้ที่สุดแล้วนะคือดีที่สุดแล้วคือตรงนี้คือจิตตรงนี้เขาเรียกว่าพุโทโธ <Okay. S 1> นั่นคือความเป็นพุโทโธคือตรงนี้นะซึ่งพุโทโธตรงนี้ แปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานใช่ไหมนี่คือข้อที่หนึ่งข้อที่สองที่คําว่ารู้ที่ใช้ในภาษาไทยก็คือสตินี่ก็เหมือนกันแปลว่าระลึกรู้อันนี้เราก็ใช้คำว่ารู้เพราะฉะนั้นบางคนอาจจะหมายถึงตรงนี้คําที่สามบางคนก็อาจจะเข้าใว่ายานยานเนี่ยก็คือว่ารู้แล้วยานเนี่ยนะอย่างพระพุทธเจ้าตรัสรู้เนี่ยก็เรียกว่าเกิดยานขึ้นยานเป็ย่ อ, ยยอหญิงย่อหญิงใช่ใช่อันนี้คือคําที่สาม ส่วนคำที่4ี่เช่วนวิญ ญ, ญาณแปลว่าการรู้แจ้งนะซึ่งวิ ญ, ญญาณกับพุโทโธไม่ใช่ตัวเดียวกันพุโทโธวิญ ญ, ญาณแล้วก็สติไม่ใช่ตัวเดียวกันแต่ภาษาไทยกลับใช้คำเดียวกันคือคำว่ารู้ใช่คำที่ห้านอกจากวิญญาณแล้วยังหมายถึงเวทนาก็ได้คาว่ารู้ภาษาไทยคุณรู้สึกอันนั้นคุณรู้สึกอันนี้คุณก็ใช้คาว่าเวทนานะซึ่งซึ่งมันก็คนละความหมายกันนะกับกับรู้สึกกับรู้แจ้งกับระลึกรู้ แล้วก็ยังกับรู้ที่ว่ารู้แล้วเป็นญาณคกละคำกันดิเรายังมีคําที่บอกเช่นปริยัตอย่างเงี้ยเขาก็แปลภาษาไทยว่าความรู้อย่างเงี้ยคุณมีความรู้คุณเรียนมากคุณมีความรู้ก็ภาษาบาลีเขาใช้คำว่าปริยัตอย่างเงี้ยค่ะมันคนละคำหมดเลยตอนแรกคิดว่ารู้เลยในขณะนี้พอฟังหลายๆรู้ท่านงงไปหมดแล้วค่ะท่านคะสรุปแล้วจิตผู้รู้นี่คือคือตัวไหนพุทโธพุทโธพุทโธใช่อันนี้อรมาตีความนะอรมาคิดว่าเขาหมายถึงคำนี้แต่ทีนี้ก็ต้อง ก็คิดว่าเขาคงหมายถึงคำนี้แหละว่าเขาคงจะไม่ได้หมายถึงความรู้สึกหรอกคงจะไม่ได้หมายถึงสติหรอกแต่แต่คงจะหมายถึงจิตที่เป็นพุทโธคงจะสอดคล้องกับคําถามก่อนหนะ้าใช่ใช่ใช่กับการ<ม>าละนะอัตตาอก็คือมันก็จะละเอียดลงมาเรื่อยๆหมายว่าในลักษณะคําถามเนี่ยนะพูดถึงข้อปฏิบัติทางศีรษาบทต่างๆอ น, นี้คือในคําถามข้อที่หนึ่ง แล้วก็ ค, คำถามข้อที่2ก็คือเอ๊ะถ้าเราจะเอาสี่ขาบทเหล่านี้ยจิตเราต้องมีกําลังนะจิตเราต้องเห็นถูกต้องนะเราถึงจะมาเห็นความเป็นอัตตาได้ว่ามันไม่ใช่นะมันเป็นอนัตตานะเพราะจิตที่มีความเข้าใจถูกต้องแล้วปฏิบัติตามสี่ขาบทได้แจ่มแจ้งแล้วเราก็จะเข้าถึงความเป็นพุทธโธในในข้อที่3ามตรงนี้ค่ะแปล ว, ว่าต้องไปฝึกปฏิบัติ ด, ด้วยจึงจะสามารถทําในสิ่งเหล่านี้ได้ เพาะาพูดที่ถึงกระบวนการการศิกขานะคะฝึกปฏิบัติค่ะก็เป็นคําถามที่คุณทิ้งว่าเป็นเรื่องใหญ่มากเลยนะคะที่คุณหมอถามมาเนี่ยเรื่องสําคัญมากเลยนะคะคือเรื่องไปวิมุติเลยนะคะเข้าได้เข้าเข็มกันเลยล่ะตรงนี้ค่ะละอัตราตัวตนเนี้ยเนี่ยก็เป็นตัวอย่างนะคะที่คําถามของท่านฟังนี่แหละให้ปัญญากับคนอื่นๆด้วยพร้อมทั้งกับคลี่คลายความสงสัยของ ผู้ที่ถามมาด้วยก็ขอขอบคุณผู้ถามด้วยก็แล้วกันนะคะสําหรับทันตแพทย์หญิงพิมลเมธานาวิทย์แล้วก็คงจะต้องกราบนมรส ก, การขอบพระคุณพระมหาภาบูบุ์อภิปุณโญไว้ในโะอากาสนี้นะคะสําหรับวันนี้นมรส ก, การค่ะเยียมผ่านค่ะท่านฟังที่ครบค่ะรายการสรัสนิสนทนานะคะเราก็มีความประสงค์จะให้ท่านทั้งหลายเนี่ยไม่สักแต่ว่าเป็นชาวพุทธที่ได้ชื่อในบัตรประชาชนหรือในเอกสารทางการ แตเราต้องการให้ท่านเป็นผู้ที่ศึกษาคำสอนของพระศาสดาของเราแล้วเป็นชาวผู้ที่แท้จริงด้วยการสิกขาคือน้อมนำมาสู่การปฏิบัติ ด, ด้วยดังจะเห็นได้จากคำถามของคุณหมอพิมนเนี่ยนะคะที่ถามเรื่องของจิตตสิกขาแต่ทำให้เราได้ความรู้ว่าอ๋อสิกขาเนี่ยแปล ว, ว่าศึกษาด้วยการปฏิบัติ แล้วการศึกษาของพระพุทธองค์นั้นมุ่งเน้นไปในทางที่จะพ้นทุกข์อย่างสิ้นเชิงหนทางแห่งการพ้นทุกข์นั่นก็คือมัดทางที่ท่านได้บอกไว้ว่ามีองค์แปดมีอยู่แปดองค์อยู่ในนั้นนะคะแล้วก็มาแยกเป็นศีลสิกขาประกอบไปด้วยสัมมาอาชีวะวาจากัมมันตะจิตตสิกขาสัมมาสมาธิสติวายามะแล้วก็ปัญญาสิกขาเป็นเรื่องของสัมมาสังกัปปะ ก, กับสัมมาทิฏฐิค่ะ วันนี้เราก็คงจะลากากใบเตพียนท่านี้ก่อนนะคะติดตามรับฟังรายการกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ซึ่งพุทธวันพฤหัสกับวันศุกร์ที่ชันสันสินีนาพงษ์จะเป็นผู้ที่มาถามคำถามพระอาจารย์ไพบูลแล้วก็รับรู้ความรู้ใหม่ๆไปกับท่านผู้ฟังนี่แหละนะคะวันนี้พุทธวัตรสวัสดีค่ะ